ถือแร ก, กลัวว่าพ่อเนี่ยจะโกรธจะว่าว่าทําไมดูดูแลรถไม่ดีปรากว่าพ่อไม่โกรธเลยพ่อกลับบอกว่าให้ลูกรีบไปซื้อรถมาเร็วๆนะเพราะว่าต้องใช้รถเนี่ยในการรับส่งอ่าน้องๆนะต่อมาเธอก็เรียนจบแล้วก็มาทํางานที่เมืองไทยก็มีช่วงหนึ่งนะปรากฏว่าเธอเนี่ยวางกระเป๋าเงินเนี่ยผิดที่ผิดทาง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 บางทีพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้สอนลูกแบบนี้นะแต่ว่าไอการปฏิบัติตัวนี่ทําให้ลูกอาจจะเข้าใจไปว่าเออเราเดือดร้อนไม่เป็นไรอเราเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าคนอื่นเดือดร้อนนี่ไม่เป็นไราสารชาพุทธ น, นี่น ะ, ะคําสอนที่ว่าเนี่ยเราเดือดร้อนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคนอื่นเอาเปรียบเรา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 กับเราด้วยก็เลยจะเปลี à ่ยนจุดที่จะโดดนะในตอนที่เปลี่ยนจุดที่จะโดดลงมาเนี่ยก็เหลือเห็นแสงเงินแสงทองนั้นตึกมันสูงเนี่ยนะเป็นประเภทว่าตึกสูงคงเป็นสิบชั้นนั่นนะก็เหลือเพ้เห็นแสงเงินแสงทองกําลังประกายนะสีสวยเลยแล้วเกิดได้สติขึ้นมาเกิดมีความหวังขึ้นมา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 หาท้องออกด้วยการไปจับนกพิรามาจับนกพิาราบสุทันนะเพราะว่านกพิาราบสุดทันนี่เพียบเลยนะแถวสาวชิงช้าจับมาได้เป็นสิบตัวแนละ้วขายตัวละยี่สิบห้าบาทสาสิบาทก็พอได้เป็นค่าเราเรียนนะสมัยก่อนค่าเราเรียนก็ไม่แพงนะัหน่วยกินละยี่ิบห้าบาทนะถ้าเป็นมาหาทลายนะประมาณสี่ห้าร้อยนี่ก็เรียนได้ลัดเทอมหนึ่งนะแต่ก็โชคดีนะที่มี มีคนเห็นและคนเห็นนั่นเขา ก, mm. ก็ก็ช่วยเอาไว้ได้นะปล่อยนกทั้งหมดแล้วก็เอาเงินห้าร้อยบาทสาใส่ไวในไวในกระสอบโดยที่ไม่บอกเป็นใครซึ่งก็เป็นความฉลาดนะและความเมตตาของหลวงพ่อคนนั้นที่จริงตอนหลังมารู้เป็นหลวงพ่อนะเป็นพระในวัดถ้าไม่อยากให้เด็กทำชั่วมันจะกลายเป็นตาบาปติดตัว